ท่าจะฟังจตมาเทศนาต่อไปแล้ว เ, เกิดขึ้นว่าแต่ละคนก็เหมือนกันแต่ว่าเราเกิดเรามาฆ่าที่เราเกิดมานี่มาฆ่าหาผลประโยชน์กำไรในชีวิตของคนาที่เรามาอบรมทำขั้นสอนท้องเจ้าก็มาเรียน ชาภาในการบัญชีท่าหากว่าเราเกิดขึ้นมาม่ชุดนิดหกือจูปตัวพอราเกิดขึ้นมาค่านั้นก็ไม่มีทิดแปลกอะไรกัสัทั่วไปเกิดขึ้นมาก็จะจักจว่ามาเป็นตนจนตัว แล้วก็ทางหาเรื่องคิดที่นังอายุีวตจะจไปในวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วก็แล้วไปแต่ม น, นุษย์คนเราที่ให้จรรยาว่ามีใจสูงคือสามารถที่จะพัฒนาจิตใจทั้งันให้เปลก้าวหน้าไปได้จนไม่ควยคิดอย่างจารทั่วไป จึงพาทัานคิดถ <kr> ึนตัวตนว่าแล้เกิดสมถะหาผลประโยชน์ให้ทีดติดจนในวันหนึ่งวันหนึ่งทำจนค่าคนเราเกิดขึ้นมาจะอยู่ที่ถือเฉยไม่ได้เมื่อนิกายมีใจตผสมเข้าแล้วจะต้องมีปัจจิยาปัจจิยาการของกายกับใจนั้น มันนี้เรือสองอย่างที่ตาเห็นได้ชัด ช, ช้อย่างหนึ่งทาดีอย่างนี้ทาเลทาดีท่้นเรียกว่าบุญทาเลท่านเรียกว่าบาปทั้งสองอย่างนี้แหะถ้าจะเที่ยงโทษทเรื่อง ก, การค้าบุญคือกาไรบาปคือขาดทุน้าเกิดเดีก็สัน วันนึงเมื่อหนตัวของเราหาดขึ้นแล้ได้กำไรแต่ละวันละวันนึงตั้งแต่ต่แต่ตื่นไว้จกนอนเราคิดถึงอะไรบ้างบนต้นควอมที่ตนนอนตื่นขึ้นมาเราคิดถึงอะไรบ้างคิดถึงควาดีหรือคิดถึงวมชั่วคิดถึงบาปหรือบุญ ถ้าเขาคิดเท็จบุญก็จะอย่างที่อยู่วัดอยู่วารู้บวกเขมด้สตานาเป็นถ้าเป็นเนรจะก็ขาวนั่งซีอะไรก็ตามดจัดต่องเลือดพุ่งขึนบุคืเจ้าพระจอนพระสศษว่าอันนี้เป็นสาระที่เป็นที่สุด ตัว ข, ของเรานั่นก็นเดือดร้อนอุ่นวายหรือถ้าเรียกสงสารวัฒนาย์จะไม่ผ่านไปแล้วแต่อะไรวันที่ถึงท่านจนกรนทั่งเดือดร้อนวุ่นวายใช่อย่างนั้นสาหรับนักปฏิบัติแล้วนะพุทโธทคือรู้รู้อะไรคือรู้ตัวของเราเนี่อย่าอธิบายฟงเด็ดคอรู้ร้ตวัวว่าเราจะ้รู้ถึงอะไรได้รู้ถึงความดีได้รู้ถึงกุศลเพราะได้รู มาแล้วลึกึงคนดีคนชัวน่นะตื่นตื่นตัวต่นตทีเดียวเลยถ้าหาไม่ตึงกนอนจมอยู่ไม่เลยึกถึงคนดีคนชัวไม่คิดถึงตัวงั้นจะพูด ง, ง่ายไม่คิดถึงตัวของเราเลยพูดแลลึกคิดถึงตัวของตนนั่นแะเวลานี้เนี่กายวาจาใจของเราด้ยสุ ด, ด คนที่ค้าขายจะต้องพยงยามหาสำไรให้ได้ วายสงสารจิดของเราสงบงันเราได้กาไรตื่นมาได้กาไรแล้ถ้าเราเข้าใจแเราได้กำไรเต็มกำไรอย่างนี้ตลอดเวลาตืึ้นแล้วประกอบภารกิจาร ง, งานในแดงกวามมุทอื่นเพลิดเพลินใจตื่นผู้สึงาน น, นั้นจะมีกาไรตลอดวันจิตใจจะแช่เชื่อเบิกบาน เรื่องกาไรมันเกิดขึ้นในวันนะั้นได้กำไรในวันนะจะดพาะในวันนะจะเพาะในวันนั้นได้อย่างงั้นนะครับในวันจะต่อไปได้อีกมันจะรวยไหมเราคิดดูดิสามวันเจ็ดวันสิบห้าวันอะไรเดือนตีทึ้นมันจะรวยไหมมันก็จังแน่นอนจีิงจเหลืออยู่ไว้กําไรของเราฟองเปลี่ยนฟอก้มกับบรลลังก์ฆ่าสบายไปแท้สิ อันนี้ถ้ามันเกินองนขามว่าเตินว่าคิดถึงอารมู์วุ่นีว่ว่นวายสุ่งอบคุ่งแจ๊ดเดือดร้อนมองดูจิตแจ๊งเราวะดอยู่แล้วกายวาจาจแจ๊ดเราก็ไม่ดีดีไม่รู้จึงกระจับเวลารูกจัดนั้นไปทำอะไรทั้งนีงน้ทุกิดงทั้งหทำอะไรก็เป็นเรื่องไม่ดูไม่งานอะนั้นเี่อาการทุกข์ทุกส่วนที่ทำไป ย่งขอหน้าเสียทั้งหมดขาดทุนมา็นตื่นถ้าวันด้ขาดทุนตลอดวันเราิด่นอาหารจะจะทานอะไรถึงขนาดนั้นหรือบางคนคบข้าจะมาชมกับใครเข้าหน้าใครก็จะไม่ติดทั้งน้ทั้งนันเาไม่รู้เรื่องของเราไม่ทราบว่าเรื่องอะไรแต่เราคนเดียวมันมินเสียจนคนเดียวเพราะขาดทุน เดด ร, อ, รอนนอนดยพถีพถถ้าห า, รราัดสมยวันนั้นวันค่ำะหึกวันถังต่อไปสองวันสาวันอาีพสองอาทีพไปถึงเดือนสอเดือนหรปีเดือ น, นีไปเมืัอจบหนโรคทางไปขาดทุนตลอดกานคนที่ไม่มีอาชีพคืออาชีพไม่จะลืยงอกงามทาไมจะมีขาดตัวนะวันถ้าจะ อ, าอะไรมาขีนาีลุอนทีนด จะอยู่ไงได้จึงว่าให้พากันมาฝัางธรรมคำสองพระพุทธเจ้าที่เรียกวิชาหานีกยมันคือพระพุทธเจ้าท่า ส, นสอนดีดีสอนให้เราเรียนวิชาพระพุทธศาสนาเอาคุณ ง, งาคนเดีย่เป็นเครื่องรลกด ตัวเราไม่ดีเจ้าคุณเอาพุธแก้วบอกเป็ส้นเลือดียก่อนเอาคุณแล้วไปแกวเป็นเส้นเลือดถ้าตวเรายังไปทานเรียนของดีเมือไปเอาเอาพระธรรมั้งสามไปเก้วเป็นเส้นเลยถ้าเรียกสมันรพวกเนเกินหร้อเรือดแค่พุธเจ้วเราไม่เห็นตัวพระองค์ท่านได้เห็นเพียงแต่รูปปิมาก่อนรูปปิมาก่อน แร้ลึลกถึงว่าท่านผู้ที่มีเศท่านผู้ที่มีลักษณะอาการอย่างในลักษณะอาการอย่างนี้ ท, นนท่านเป็นผู้รู้แจ้คือพูดง่ายๆว่าเขาเ็นเจ้แก้วเป็นผู้มีปัญญาในงมงายเมี้ยวไหลอย่างพวกยุนทธชนคนธวรมดาสมาที่กเราเป็นจบ ท่านเฉียดแหลมคือเห็นของจริงตป้นจริงเห็นของจริงตามเป็จริงใช่ว่าความฉลาดเฉียดแหลมลึกตึ้นของพระองค์จนกระทั่งเห็นของจริงและไม่เปลี่ยนไจริ่งใลจชำระจิตใจไม่เข้าไปอกเกี่ยวยึดถือในสิ่งที่หลวงนั้นเห็นจิงแล้วละจริงจริงใช่ลึกตึ้มะเอีย ไม่อึดนักลอ่ะมองโดนนยดตรงนะไอะตัวของเราตัวตรงคนเราแท้ด้วจริงนั่นคือเป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งเกิดจากดินน้าไปลงมีของจริงเป็นอย่างนี้ท่านเหนงทีเดียวท่านไล่ตรงไปกระจายแยกรงไปจนเห็นละเอียดชัดเี็นว่าไม่ตช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่เราเขา แท้จริงจะเป็นกระเพราข้อดินน้ำไฟหลงหรือกเก็นชเดใ น, นเรื่องปรากฏการณ์ดินก็ไม่ใช่ดินน้ำก็ไม่ใช่น้ำไฟหลงก็ไม่ใช่เาะนั่นเป็นสแบบนี้เป็นเ่กกนกกเพื่ปรากฏการณ์จริงมันปรากฎการขึ้นมาแล้วกันนั้นหายไปนั่งดกันไอเราคดกันลองเดียวดึกดีเดีย น้ำมันเลือกน้ำไหมมันเลือกตัวนู่นน้ำไหมไฟและลมมันเลือกมาเราไฟและลมไหมถ้าใครไปสมมติมันไปว่ามนพราะคนไปโจมตีว่ามันโกรธถุยมันก็ไม่รู้ตัวอะไรแต่มันน่าจะฆ่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันก็อยู่อย่างนั้นไม่ว่ามันก็อย่างนั้นใน่คอจริงก็เป็นอย่างนั้น เพาะนนั้นนะ่ะก็ฆ่าพนั้นอนะ่ะมาปรากดการขึ้นมามันเอาเป็นรูปต่างๆนานาอย่างวาอย่างพวกเรานี่ส์นีสองขาสองแขนเดินทกเททุกเทไปเรนคนมาจะเรียกว่าคนใช่รช่ไม่ใช่อะไรสัง่งอะไรกันเคยได้ยินมันเรียกว่าคนไหม เคยได้ยินมันเรียกว่าคนสักทีไหมตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยได้ยินมันเรียกว่าคนเราไปเรียกว่าคนคนมันก็แฉ่นะ้นไม่เคยมนคนรู้สึกเลยแล้วจะไปว่าคนจะตลอดเลยนะแต่ค น, ม, นมีใครมาเรียกเป็นนั่นนี่นไปเรี ย, ยกบสักสื่นีหไปก็ดใหญ่แต่มันเฉเฉยไม่รู้สึกอะไ่มีสภาพเป็นว่าสภาวะ ความเป็นิ เปนาเป็นของลึกเลยเนี่ยกรทันงละอัจะริวระหรือละอุปทานขาคารหรือละอัตตาเสียได้ไม่ใช่โดว่าอัตตาละสภาวะอันนั้นเสียได้ด้วยไม่เอาเข้าไปยึดดสสื่อสภาวะนั้นเป็นของทัานต้องเปนของตัวของเราของเขาเมื่อเกิจง่อนพะรูคือดินนั่งวิจารณเราู้ ถ้าเราตใน่ยนีいい ended, ่แหละในนี่แหละน้ำจะอยู่องเ้นีのの่าเ <Okay. S 2> ียหลือถ้าเราเรียงน้ำจะเรียกว่าไรถ้าม่ใช่เรียกว่าน้ำลองลองลงว่ากันลงสิจะว่าอะไรกันนะมันก็จริงเนีเราเรี้ยงน้ำมันก็เข่านะเขรจะไ้ต้อนไปแค้ไม่ก็ไม่รอนไหโอะไรดอกใครจะไปล้างของสกปรกสโพมันก็ไม่ลเกียดใครจะเปดื่มไปกินก็ไปอาบเออขอปรชานมันก็เสียนะ มันก็ไม่ใ้ควารู้สึอะไรเราให้เป็นแสดงความนั้นเสียแต่แสดงคามชอบความรักคนหน่าชมน่าดิ่มน่าทานอะไรไปตามเรื่องม่เพราะไม่เห็นตามเปนจริงไฟได้ลงแน่ในเทานองเดียวสัน น, นี้น่คืปัญญาพระพุทธเจ้าพระองค์มีปัญญาชดอาเที่ยงแงไม่มีตำรง นีคือสอนแต่ตัองรู้และองเองตัวนรู้ได้ตัวองเองเช่เออจะมีใครสนแนวก็นองจริงในเมติิงรองคร้พรองค์งชัดสินในรองเมันจริงจริงเดระจฉานถอนนเมติสิงจรงได้เข้าไปยดไปถือเงปราดของโ่งอกลงใจมีความเบิานทุกกระเจสั่นกัดสินพรองค์เองไม่มีกรรมการ ผูเห็นจริงใจมนจริงน่นเอกรรมการแท้จิงนี่เป็นนี้ถ้าทำคำสอนเปลจ่ยวๆไให้หนามปัจจต่างเลยที่จะโตอยนีแล้จะเพราะยิ่งยชนานั้นเาเดไม่เรด้วยๆมีปัญญาคุณเมื่อเปนชนนั้เมื่อปัญญานเชนะชำระได้ ความบริสจดเกิดขึ้นมาปัญญาคนบริสุทิคุณความบริจุทธิ์หมดจดเกิดขึ้นมาแล้วน่ะมันเป็นธรรมดาฤทธิ์ใสของความบริสุทธิ์หมดจดมันจะจ้องมิตแสงและจะหนีแวว่าวอย่างน้ำใสสะอาดกับซองเขียนถึงกคนตุ๊เป็นคนบอกคนเลิน แก้วกระามก็จงกระชา่างทัดใสแล้วจะต้องส่องทรลุตัวส่งะใจว่าใสสอาดบริสุทธิ์ระดับสิ น, สนั้นนะครับไป็นี่จงใดที่มันจะกบฏขวดที่จะเฉียดืีดเกี่ยวไม่ได้การจัดชำระรักษ า, กกามไม่ได้เีื่อพระไทยนะผงค์มีปัญญาอย่างว่ามาแล้วใสสาบริสุดและขอมมองเห็นมนุษย์ชาวโลกปลากระงมงา อย่างที่อธิบายมานั่นแหะถ้ถืออะไรก็อะไรสักถ้างไม่ตดก็อะไรสักแตว่าของกูของมึงของเราของเขาอะไรต่างว่าจำนวนตัวมันรู้จักอะไรต่างมันกาหัวเราะน่าพบขันเหมือนกันน่ากนาหัวเราะขันนะก็น่าต้องสารเดินดุทไมนะมันจะไม่รู้จัการิงจริงมันไม่ใช่อะไรทั้งหมดนะทไมจะไียดไปถือถือออมาได้อะไรก็ต้องสารนี่แหละใต้องสารเมตตา เาอยากจะให้มนุษย์ได้รู้เห็นจารึกจริงแต่นุษย์จะพยายามเทศสังสอนโยเรียกว่ามหากิราทิคุณถ้าคุณเอาว้จโดยยัย่อให้ถามไปกาแทรกตัวไปสมิเก้ายานเสือกวยเราฆ่ากันไว้ข้าวสุวรรณทีิิัโบาณคดีมาสมัยสาอาหรมรตนโสนถ้าพิจากรว่ามันกาต้อะมาณนับไม่่ คือว่าปัญญาคุณใช่ก่อนอนธิบายมาแล้วแล้วก็เกิดวิจุดคุณปัญญาคุณเมื่อปัญญาเป็นที่กทังบุญก็ใส่กวางแสียงเจ้าเดีกว่าบริสุทธิ์นมาในพระไตรปเมื่อของใสสะอาดม้องเห็นจริงสกปรกก็อยากจะชำระแต่ต้องสาร นี่ถ้าหากเรามาลึกๆเป็นคุณกุฎิเจ้าเราลึกอย่างนี้จิตแจ้งเราอยู่กัเฉพาะในตัวของเราไม่ได้ไปที่อื่นเมื่อคุณในตัวงเราไม่มีเอาคุณคือกุฎิเจ้าคุณกุฎิเจ้าวิจารณ์คุณก็ไฎิเจ้าเลยกลายเราปลกดเกิดขึ้นที่ในกายในใจของเราเราเห็นคนคัด เห็นการเป็นจริงดังที่อธิบายนะเหุ่คุณคือพระพฤกษุนันเลยพระเกิดมีจมัตในตัวขงเราการนี้เราพิจารณาเนี่ยนะเห็นชัดเห็นจริงาการที่อธิบายกนะ็เรียกว่าธรรมระธรรมคาสองคนจับที่สองแท น, นทางให้เราเห็นผิดเห็นถูกดีเห็นชั่วเหคุณเห็นโทสิ่งที่ เ, เห็นประโยมีสาระและไม่มีสาระเห็นชัดกัมาในตัวนั่นเอง อันนั้นเนี่ยพอเราเห็นทำจะท้างตาไปอยังเรามีพวกพิธักคุณแปกดเกิดขึ้นมามีทำมาดรื่อย อ, อ, อยู่เแล้วก็กลายเป็นสงค์คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท น, นั้นเองมันอยู่อันเดียวกันนัคือปฏิบัตนินปฏิบัติจะไปชอบหรือไงถ้าไม่ชอมันก็ไมถึงไม่ชอมก็ไม่เห็นไม่เห็นัคุณ ก็ไม่เห็นพุทโธไม่เห็นตาในจริงปฏิบัตินั่นแหละเมื่อเห็นตาใจริงนั่ก็ปฏิบาตมันเก็เมื่อเห็นตาในจริงเนี่ยชุบปิปิปโนเขาปฏิบัติดีนะอันที่ปฏิบัติไม่ดีไม่ถูกไม่จ้านะคือมันเข้าตัวมันเข้าหาทีเหลือความต้องการในป่าธนามันมีอยู่ไม่เห็นตาเป็นที่เ็นชุบปิปโนไม่ได้ปฏิบัติดีไม่ได้ เมื่อปฏิปารีไม่แรงมันก็ไม่ตรงเลยมันก็แวะเรียนวกไปเรียนมาแต่หาลาภผลความต้องการประโยชน์ตู่นนี้น้าละตัวอย่างจะเกิดยังไเมืนมันก็ไม่เป็นไปเพื่อผลจากทุกไม่เป็นไม่เป็น น, น, น, น, น, นิยามหรือกระทำกานจิตวิญญาณมันก็ไม่มีการอุกิจกิปโนการปฏิบัติอัตมาหนาเรี่มสายไม่หนากกราบไหแล้วบูชาไม่จะไม่เป็นใหญ่่ทำเนี่ยสิ นี่คุณจะทำทากันพิจรจามันเกิดที่มันเกิดในจรจของเรานะถ้ามีเอากปทำเอาผู้ทั่จทำประสงค์เอาว้ทีท่จนายัวของเราแ้นสาวกต้องฟังธรรมคำสอนพุทเจ้ามันไม่เกิดเองเป็นอย่างพุทเจ้าเมื่อเราฟังตามทว่พระองค์ทรงสั่งสอนเกิดความรู้ความเข้าใจมันจึงก็เกิดขึ้นภายในตองตนจึงเรียกว่า ฟังสะก่าไม่ได้เกิดเองเป็นอึกเที่ยอบายมาเราคิดดวคกันที่ว่าชีวของเราเกิดขึ้นมานะั้นเรียนมันกมาคฆาเวลาหนี้เราค่าถูกทางเรื่องะไรอย่างนี้ผลประโยชน์ได้กํไาไรได้ขาดทุนมันกลัวดูตัวเราจึงจะรู้จักว่าค่าขายได้ผลประโยชน์หรือขาดทุนและจึงจะดำเนินธารกิจนั้นต่อไป จะหาว่าคนค้าขายขาดทุนเดืญญญงดจะยังอมขาดทุนอยู่ล่ำไปไม่พยา ย, ยามที่จะหาผลประโยชน์หรือหากำไรมันก็บมดผลทางถ้าผิดแล้งนนดำเนินก็หมดทางและไม่ตร้างคัา ที่คนเรานี่เกิดมาที่ไรจะไม่จะขาดทุนแล้วก็ไม่ยอมที่จะแก้ไขปัจจุบัวเองให้ขาดทุนเรื่องไปเมื่ อ, อไรเราไม่เจอได้กาไรดีไม่ดีก็เนี่ยมาค้าขายเขาดีครับล่อมจมแล้วก็หมดเลยขึ้นคอเงยคอเพื่มาขึ้นงเลยมี่ไงว่าที่ิตทุกคนเราน่าเสียดายน่าเสีย่ายเกิดมาแทนที่ที่จะมาค้าขายเขาเขาหาผลประโยชน์อย่างเขา ล้ากลับมามานยอบขาดทุนช่วงระยะชีวที่เรานีอยู่ยออขาดทุนมาต่อชาติตายไปได้ก็ไม่ได้าค้าขายเขาอี่แล้ ว, วมมลหมดวันทางเอะเพราะนั้นโอกาสไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นหลวง่าพัดนั้นตรวจราดูตัวเราทุกทุกคนตั้งต้นใน ล, ลืมตาเนี่ยมาทานออกจากที่นอนตลอดตัวถ้าหาทุกคนพากันตรวจ ทำงานคนดีทั้งตนและสมบูรณ์พี่ของตนจะต่ตอเวลาอย่างนี้เลยอะยู่ด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็จะเพลิดเพลิน<ๆ>สนุกสนานด้วยการนับเงินนับทองด้วยการแลกเรียนสินค้าเอามานับไปแข่งขันกันโดยใครได้มากเลยน้อย คือคนเก้าค น, คนที่คนต่างคนก็มีกำไรทุกคนลองคิดดูจะมีคนสุขไหมถ้าขาดทุนแล้วคนอื่นเขานับแล้วมีอะไรจะนับจะเห็น น, หน้อยนอกจากจะคิดใช้ทัศย์อภัยก็แล้วเราก็จะตุ่นใจเคยเห็นเขาทำดีคนอยู่ไหมเน่ยอันนั่นแหละเพ่งขราวานลบแผ่นดินอันนี้ถ้าเรามาเปลี่ยนใหม่เป็นลกพุทธศาสนา คนแค่ั้นเรีว่ากศาสนารกแันดินี่ยมันตกอย่ในพุทธศาสนาแต่กศาสนาไปสวรรค์นเนี่ยเขาก็ไปไวได้เพราะมันเปลี่ยนนอกอยากจะปปะกในโลกโลกก็ไปตจในรกเดียวกันมดเรื่องกันถ้าไม่ต้องุณต้องตกก็นม่ได้อ้าวละอธิบายใช่าง